เหล่านายนิริยาบาลมีการจับสัตว์นรกเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนพื้นดินที่มีไฟติดลุกโพลงชดช่วง 5. เหล่านายนิริยาบาลให้สัตว์นรกปีนภูเขาฐานเพลิงที่มีไฟลุกพลงชดช่วงไปทั้งลูกขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นอยู่อย่างนั้น6เหล่านายนิริยาบาลจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัวลง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 ตรงข้ามกับบางคนที่กายกระสับ ก, กระสายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ในขั้นสุดท้ายถ้าบุญถึงจริงก็มีนิมิตของกรรมหรือนิมิตของกติอันเป็นที่ไปมาระ ง, งับความกระสับ ก, กระสายทางใจจิตสว่างอย่างเตรียมไปดีได้เองสภาพแวดล้อมของนรกนรกคือการลงทันมีเครื่องลงทัน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 และเห็นการตายทรมานของเราอาจยากรเป็นเรื่องสนุกหรือสมัยที่เห็นสมควรให้ประชาชนทัศนาโทษทันอันควรสาแก่ใจของทรชนโฉดก็ค้นคิดวิธีทารุณต่างๆนานาเช่นย่างไฟสดๆแล่เนื้อเอาเกลือทาจับแช่น้ำเดือดเป็นต้นเหล่านี้นับเป็นหนังตัวอย่างของนรกภูมิได้อย่างดี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 วิธีนี้เหมาะกับการประหารชีวิตนักโทษที่สุดทว่าระหว่างทำกับสัตว์และทำกับคนอาจไม่เหมือนกันคนตายไม่อาจกลับมาเล่าได้ว่าเป็นอย่างไรแน่ที่แน่ๆคือพยานผู้เห็นเหตุการ์ต่างพูดตรงกันว่านอกจากจะไม่ทุเลาความน่าสมเพชแล้วยังน่าจะไม่มีวิธีประหารใดฮัโหลโหดหน้าขนลุกขนพองไปกว่าเก้าอี้ไฟฟ้าอีกแล้ว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 แล้วกลับมาร่องแรกแหกกระเชอือยื่นอุทธรขอให้ระงรับวิธีป่าเถื่อนอย่างไรก็ไม่มีใครช่วยยุติโทษทันอันเฮี้ยมเกรียมเหล่านั้นได้แถมพระพุทธเจ้ายัางตรัสดด้วยว่าให้อหอกสามร้อยเล่มแทงซึ่งคงหมายถึงไม่เหลือสักตารางนิ้วเดียวที่ปราศจากความเจ็บปวดจากหอกก็ยังไม่ได้เสี้ยวเดียวของความทุกข์ในกลุ่มนรกสุดท้ายขอให้ทราบว่า